คนปฏิบัติทำมันเห็นภัยแล้วมันไม่อยากให้มีอะไรมาลุงลังอยู่ในจิตใจลาพังไอ้ร่างกายของเราไอ้จิตใจของเราเนี่ยมันก็ทุกข์อยู่ตามตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วมีใครบ้างที่ร่างกายไม่มีทุก มันไม่มีเลยอ่ะก็เห็นเห็นกันอยู่ร่างกายคนอื่นละ่ะก็เหมือนกันร่างกายคนอื่นก็ทุกข์เหมือนกันนะแล้วจิตใจละ่ะจิตใจมันก็มีความบีบคั้นของมันอยู่อ่ะมันไปนึกคิดปงแต่งไปรู้อารมณ์ก็ดึงเข้ามา ดึงเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไปมีความรู้สึกดีใจเสียใจสบายใจไม่สบายใจปุุงแต่งขึ้นมาแล้วก็จดจำเอาไว้แล้วกเก็บเอามาปรุงมาแต่งแล้วก็ทุกข์ถ้าเห็นว่าเออเนี่ยสภาพชีวิตของเรานี่แหละมันมีความมีแต่ความทุกข์ มันก็น่าเบื่อหน่ายอ่ะถ้าใครมองเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันน่าเบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิดหน้าเบื่อหน่ายอยากจะหลุดพ้นไปหูนั่นน่ะทางของพระพุทธเจ้าเข้าไปอยู่ในใจทันทีเลยนะแล้ววันนี้ยังเปรียบเทียบให้หนูอะไรอ่ะที่พาลูกสาวมาตัวเล็กๆอ่ะบอกว่าหนูน่ะดูให้ดีอ่ะลูกสาวเห็นไหม ตั้งแต่เกิดมาก็มีแต่ความทุกข์โครคภัยไข้เจ็บก็มีแล้วแต่เขาไม่รู้ตัวนะนะั่นแหะเขายังไม่รู้นะว่าชีวิตของเขาเริ่มตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์โครคภัยไข้เจ็บกุ้มลุ่มเราก็ชี้ให้แม่ดูตอนเราเป็นเด็กเราก็มีทุกข์แบบเดียวกันแม่เลี้ยงเรามาทั้งหิวทั้งเจ็บทั้งปวด ช่วยตัวเองไม่ได้ทรมานแต่เราไม่รู้สัตว์มันก็ทุกข์เหมือนกันสูดนักมันก็หลงเพิดเพลินในชีวิตของมันเห็นลูกมันเล่นกันกระเซ้าเย้าแยก่กัดกันไล่กันเนี่ยมันก็มีความทุกข์มีความสุขในความรู้สึกของมันเพิดเพลินแต่คนที่มีธรรมะมองดู มันไม่เข้าใจชีวิตของมันเองแล้วมันกำลังทุกข์แต่มันก็หลงว่าเพลิดเพลิน น, นกก็ร้องเพลงร้องหากินสนุกสนานของมันแต่มันไม่รู้ว่านานชีวิตของมันมีแต่ทุกข์ไปหางกินก็ไม่รู้จะได้ไม่ได้หิวก็ต้องไปไปแล้วก็หา ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ขณะเดียวกันก็ไม่รู้มันจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นไปไหนมาไหนได้ระวังไปหมดแต่ว่ามันไม่รู้นะเมี่ยดูซี่อาวิชชาโมหะความหลงมันหุ่มห่อไว้หมดพวกนี้กับเคยเป็นคนเหมือนกันเคยเวียนว่ายตายเกิดแบบพวกเรานี่ละ ถ้าใครมองเห็นแล้วไอ้การที่เข้ามายึดกายกับใจของตัวเองนี่แหละนี่แหละทีมาของทุกในแนวอุปทานในขันทั้งห้าอย่างนี้เลยย่อๆผู้เจ้าบอกเรียบร้อยเป็นภาระต้องดูต้องแล้วอ้ยต้องรับประทานต้องอาบน้าอาบผ้าต้องรับต้องนอน พ, พักผ่อน ไม่ดูแลมไปหมดขนาดนั้นมันยังมีเจ็บมีป่วยมีไข้เป็นนั่นเป็นนี่แก่ลงแก่ลงทมไม่ได้เอนนี้เมื่อเราตัวเราก็เป็นแบบนี้แล้วคนอื่นละ่ะมันแบบเดียวกันถ้ายังเป็นหลงอยู่ก็โอ้โหนั่นแหละมันยังไม่รู้แล้วคนที่รู้กับคนไม่รู้อันไหนมากกว่ากันตรวจดูสิ เนี่ยเรามองดูรอบๆเลานี่แหละถ้าว่าอยู่ในวัดเนี่ยเออยังพอที่จะเข้าใจรู้บางคนรู้แล้วแต่มันใจจริงๆอ่ะบางทียังไม่แน่ใจว่ามันอยากออกจริงหรือเปล่านบางคนก็อยากออกจริงแต่บางคนอยากออกด้วยแล้วก็แน่ใจด้วยนี่คนที่แน่ใจนี่สิ มันมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นแล้วในเมื่อมันมันรู้มันเข้าใจแล้วเจ็บไปให้มันยึดมันถือมันแบบเต็มร้อยเปอร์เซน์อย่างเก่ามันต้องลดลงแล้วแต่ถ้าลองปล่อยได้หมดโอ้โหมันแสนสบายที่สุดเลยเหมือนกับมันเปิดตาแห่งปัญญาในทะลุปุปโภงไปหมดเลย ยึดอะไรไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะแม้ตัวเรามันก็เป็นแค่ธรรมชาติอันนึงแล้วมันต้องเสื่อมสิ้นสลายไปแน่นอนเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้ในเมื่อมันไม่ยึดกายกับใจของตัวเองแล้วเนี่ยเข้าใจเรื่องกายกับใจของคนอื่นไปหมดเลยมันก็มีแค่ว่าเออเอาพอมีชีวิตอยู่ได้แล้วทำประโยชน์ได้กระทำไป อันไหนทำมาได้ก็ไม่ทำยอมรับได้หมดทกุก็ไม่มีเนะี่ยไม่มีคือไม่ไม่เกิดนะมันไม่เกิดนะมันไม่เกิดขึ้นในจิตคือจิตไม่เอาแล้วไม่ยอมเอาอะไรมาเป็นทุกข์อีกแล้วไม่คิดขึ้นมาแล้วแล้วมันจะไปเอาอะไรได้ทีนี้นเมื่อปัญญามันเห็นอย่างนี้ ผมก็ต้องอยากจะให้ทุกคนเนี่ยออกมาเถอะทางของพระุทธเจ้านี่จิ้มสะอาดบริสุทธิ์จิ้มไม่มีทุกจิ้มแล้วก็เชื่อว่าทุกคนทำได้ด้วยเพราะตัวเองก็เคยมีกิเลสเต็มหัวใจเหมือนกันเคยมีดมนอุนท า, ารเหมือนกันเคยรุ่มหลงเคยมัวเมา เคยทำอะไรต่ออะไรผิดพลาดบกเล่าเพราะความไม่รู้ผิดผิดถูกถูกทำไปถูกตำานิติเตียนถูกนินทาว่าร้ายถูกคนชมเชยสารพัดเป็นมาทุกรูปแบบเหมือนกันทะเละาะเบาะแว้งชกต่อยเอาหมดเพราะมีโอกาสได้ปฏิบัติ มันก็ค่อยๆรู้ขึ้นมาเออเ อ, อรู้ขึ้นมาก็ปฏิบัติไปเรื่อยมันไม่ถอยอย่างเดียวก็ไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วมันจะลาบลื่นไปตามทฤษฎีไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่องค์วางไว้ตัดเอาไว้ระวัางที่ปฏิบัติโหมันก็ต้องได้พยายาม ช่วผลมันเกิดขึ้นตามที่เราต้องการตั้งแ็่เริ่มต้นก็พยายามให้ตัวเองมีสติมีสติเพื่อให้มันเพื่อควบคุมจิตได้เพราะจิตมันออกไปอยู่เรื่อยเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยความหลงเนี่ยมันทาให้เรานี่ไหลไปชุดเราลากไปดึงไปเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างโอสาระพัดเร เอามาคิดมานึกมาปรุงมาแต่งจดจำเอามาทำให้ตัวเองเป็นทุกข์วนไปเวียนมาบางอย่างก็หลงยินดีพอใจก็หลงว่าเป็นสุขบางอย่างก็หลงว่าเป็นทุกข์เจ็บปวดทรมานอะไรที่วันนึกว่าจะมีความสุขพอได้มาแล้ว น, นานๆเข้าเอาอีกแล้ว ควทุกข์ก็เริ่มมาเยี่ยมมาเยือนความเบื่อหน่ายก็มีบางทีมันได้มาแล้วมันก็เบื่อหน่ายไปก็มีไม่ว่าได้คนได้สัตว์ได้อะไรได้รักได้ไข่โอ้มันมีมาหมดเลยเนี่ยมันก็เห็นทีนี้พอปฏิบัติแล้วเนี่ยสติมันคงจิตได้เออไอพวกนี้ก็เบาลงเบาลงแต่ไม่ใช่ไปยากคือเราทาเหตุถูกต้องมันเกิดขึ้นเอง พยาามีสติอย่างเดียวทีนี้พอมันเริ่มอยู่แล้วมันก็เราก็ไม่ได้รู้ว่าอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นมิปัสนาอแต่ว่าจิตมันก็พอสติมันคุมได้สติของเรามันตื่นนพยายามไม่ให้มันหลับมันตื่นมันก็ค่อยๆสงบลงไปเองะที่แรกก็มันก็พยายามคุมจิตไว้ก่อนเพราะจิตมันมันมันไม่สามารถทําอะไรได้มันเหมือนกับมันจะออกชาเดียวอ่ะ สติก็ต้องทำงานนะคุมไว้คุมไว้คุมไว้อย่างงั้นแหละคุมต่อมามันก็คุมไปคุมไปมันก็ไม่ออกทีนี้ไม่ออกมันก็อยู่อยู่แล้วก็ตามไปเราให้มันดูอะไรมันก็ตามลงไปตามไปตามไปดูไปมันก็เนื้อแน่ขึ้นมาเนแน่แต่มันไม่ได้รับรู้อะไรเลยนะมันไปนิ่งใชเนืเหมือนมันอยู่นึกๆึ ความรู้สึกของเรานะเหมือนอยู่ลึกๆอะไรไม่สนใจนอกจากอะไรที่มันกระทบเข้ามาแรงๆแล้วมันกระเทือนเข้ามาที่สภาพร่างกายระบบประสาทมันก็ออกมารับได้นิดหน่อยเสียงดังๆก็เหมือนค่อยๆเหมันอยู่ไกล้ๆอะไรอย่าทั้งใกล้ๆแหลนะแต่ไกล้ๆต่อมาปฏิบัติไม่ยุด ปฏิวันไม่หยุดไอ้สติเนี่ยมันมันมีกำลังขึ้นมาเอะมันเริ่มรู้กว้างขึ้นกว้างขึนกว้างขึนอะไรขึนก็รู้รู้รู้รู้เออคราวนี้มันรู้แบบตื่นคนละอย่างก็รู้แล้วไปนิ่งเฉยไม่รู้อะไรรู้แบบตื่นเพราะงั้นก็เลยรู้ขึ้นมาไอ้กรรมกรรมฐานทุกอย่างรู้ต่างกันหรอกมันก็เพียงให้มีสติควบคุมจิตเอาไว้ เพื่อให้จิตมันมันมันมันอยู่มันอยู่บางคนก็มันไม่ถึงกับลงไปพักอะไรมากแต่ว่ามันมันรู้ไปเรื่อยๆมันรู้ลอบไปเรื่อยๆก็มีไอ้นิสัยของเขาแล้วก็ค่อยๆสงบลงไปเออก็ใช้ได้เพราะขอให้จิตมันอยู่แล้วมันรู้เพราะนั้นระหว่างที่ไอเราเราทําสมาธิเบื้องต้นเนี่ย บางทีมันก็มีอะไรเยอ ะ, อะเหมือนกับมันก็มีมีพวกปีติบ้างมีเหมือนกับเสียงบ้างมีอะไรคือจิตของเรามันมันไม่แน่วแน่มันเหมือนมันยังไปรูารมลงข้างนอกไปรับกระแสข้างนอกบางทีก็นอนลงไปเหมือนตัวเรามันลอยหมุนขึ้นมา มันก็เป็นเองกระช่างมันบางทีนอนลงไปเสียงตุ่มข้างข้างหูอะไรก็ไม่รู้แต่เรารักษาจิตได้แค่รักษาจิตพอเลยบางทีก็มีแสงมีสีมีนุ่นมีนี่มันก็รู้ในความรู้สึกนี่แหละแต่เหมือนมันชัดอยู่ในจิตมันก็เลยเป็นเหมือนเห็นหาพวกนี้มันก็เป็นธรรมดา พอจิตของเรามันยังไม่แน่วแน่พอทําไปทําไปทําไปในเมื่อเราคุมจิตได้แล้วเราก็ไม่สนใจอ่ะเห็นบงังไม่เห็นบางแล้วไปต่อมาอกีกคเออมาเริ่มรู้กว้างขึ้นกว้างขึ้นบางทีก็เอา้าอยากให้จิตมัน แข็งแรงก็ทาเป็นขายายออกไปขายายจิตออกไปกลาบเข้ามาคือเล่นเล่นเฉยๆเล่นให้จิตเนี่ยมันมันมีกำลังความรู้สึกคือของเรานี่มันมันแปลกจะไปดูอย่างอื่นไม่ได้ลมมาทันทีเลยจะไปดูอะไรเดี๋ยวลมมาอีกแล้วมันมีแต่ลมเด่นอยู่ก็เลยเอาใช้วิธีขายายความรู้สึกออกไป ก็เ้ามาก็บางครั้งทำเปบางครั้งคือมันมันมันอยากให้จิตเราเนี่ยมันมันคงมีกำลังมันก็ดีตรงที่ว่าจิตของเรามันก็หนักแน่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเวลาจะทำอะไรเนี่ยมันเอามาเอาเข้ามาเอาเข้ามาแล้วก็เอางานนี่แหละนึกขึ้นมา ใช้สมาธินึกงานนึกงานแล้วก็อ่านอ่านว่างานเนี่ยเริ่มต้นอะไรลำดับไปลำดับไปลาดับไปจนจบงานก็เลยรู้ว่าเออขั้นตอนของการทำงานเป็นอย่างนี้เออมันก็ทำให้จิตมีกำลังอีกเราก็เลยว่าเออมันก็เอาขอให้มีสติรักษาจิตใจไว้ มือนกับว่าทำยังไงก็ได้คิดเรื่องงานก็ได้ต่อมาก็คิดเรื่องธรรมะก็เรื่องชีวิตเรานี่แหละก็มองไปเห็นต้นไม้มันยืนตายอยู่อ่ะยืนตายอยู่หน้ากุฏิตอนนี้จิตมันคุมได้แล้วมันทำได้ตอนมันยังคุมไม่ได้มันทาอะไรไม่ได้ต้องมีสติดึงไว้มันไปดึงไว้คุมไว้ แต่พอมันเริ่มอยู่ในอำนาจแล้วนี่เริ่มล้วเนี่ยมันมันเป็นไปตามลำดับของมันนะมันก็หาวิธีของมันน่ยคือมันมันก็ดูไปดูมาแล้วมันก็ควรทำอย่างนี้ควรทาอย่างนี้ไปไม่ใช่ว่าคนนั้นมาบอกต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้คือทำไปทาไปแล้วก็อันไหนเหมาะสมก็ทำไป มัเห็นต้นไม้ยืนตายอยู่เออต้นไม้มาจากไหนนะแต่ก่อนคงไม่มีไม่มีอ่ะถ้าได้อุณหภูมิเหมาะสมมีน้ามีดินมีปุ๋ยภมมีความเหมาะสมคือเหตุปัจจัยเหมาะสมอันนี้มันก็แได้ว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทแล้วแต่ว่าเราเราไม่รู้ว่านั่นคือคือกระแสของปฏิสมุปบาทที่อาศัยกันเกิดขึ้นกับพินาไปเฉย เออมันค่อยงอกขึ้นมาแล้วแถวๆนั้นมันก็มีต้นไม้มันมีต้นไม้บางต้นมันงอกเราก็ล้างบาดก็เอาน้ําลดมันทุกวันน้ําล้างบาดก็ทําเป็นปุ๋ยมันก็งามขึ้นมาก็เอานี้เข้ามามแต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวงอกขึ้นมาเจริญเติบโตขึ้นมาต่อมาก็ออกดอกออกผลของมันสุดท้ายมันก็แก่ลงไปแก่ลงไปสุดท้ายตายทีนี้ก็ จิตนก็ น, น้อมเข้ามาหาตัวเองชีวิตของเราล่ะนะแต่ก่อนไม่มีท่านพ่อท่านแม่มาพบกันจิตวิญญาณอยู่ไหนไม่รู้เข้ามาเนี่ยเกิดแล้วตรงนี้แหละการเกิดเพราะนั้นการเกิดที่แท้จริงก็คือนี่แหละถานพ่อท่านแม่พบกันจิตวิญญาณเหมาะสมเข้าไปอยู่ปั๊บ เนีย่ยเหตุปัจจัยตรงนี้สมบูรณ์ก็เป็นการเกิดแต่ถ้าไม่มีวิญญาณเข้าไปมันก็ฟอมันก็ไม่มีไม่มีสัตว์มาเกิดจริงญาณดวงนั้นก็มาจากไหนก็ไม่รู้อะพอไปตามเหตุตามปัจจัยของมันจริงๆมื่มีกรรมนั่นแหละทามาเกิดในเมื่อมันเหมาะสมที่จะมาเกิดตรงนี้ไอ้จิตมันก็มาทันทีเลยนะมันมีระบบของธรรมชาติ เกิดขึ้นมาแล้วก็ฝังอยู่ในมดลูกของแม่แค่อยจะเริ่มเติบโตขึ้นอาศัยเลือดแล้วมันจะริ่เติบโตขึ้นต่อมาข้อดอกมาค้อต่อมาก็นอนแมบ่บอกเป็นไวัทารุกแม่ก็ประครับประคองดูแล แต่แม่เขาก็ไม่รู้นะว่าจิตวิญญาณดวงเนี้ยเป็นใครมาจากไหนไม่รู้อะแต่พอมีอะไรขึ้นมาอยู่ในท้องเขาก็ลูกของเราลูกของเราอ่เอาฟังเสียงจิบุกดินไหมเนี่ยนี่มันเริ่มยึดแล้วเนี่ยลูกของเราเกิดแล้วแต่ก่อนยังไม่มีอะจิตวิญญาณก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเป็นใครก็ไม่รู้ชาติก่อนๆเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มาจากนรกหรือมาจาก อูดพีปีศาจมาจากเทวดาพรมหรือมาจากมนุษย์มนาที่ไหนก็ไม่รู้อะไม่รู้จักแต่พอเข้ามาปั๊บอยู่ในท้องลูกของเราโอ้ยดีใจลูกจะเกิดแล้วลูกเอ้ยมาเกิดกับแม่แล้วใจก็นึกอ้ลรทีนี้เออเราจะทำยังไงกับลูกเราดี เราก็จะเลี้ยงดูอย่างดีเขาจะเริ่เติบโตขึ้นมาก็จะให้เขาเรียนหนังสือเรียนหนังสือมีความรู้แล้วก็ทำงานทำงานก็จะให้เขาอบรมเลี้ยงดูเขาลักใก่เขาเขาก็จะรักเราเขาก็จะดูแลเราก็ะตุ้งแรงไปเรื่อยโตมาสมควรแต่งงานก่ให้เขาแต่งงานแล้วก็มีหลานหลานก็น่ารักมันคิดไปเรื่อย แต่แต่แต่ไม่รู้ว่านั่ น, นกาลังกำลังสร้างอุปาทานขึ้นมาสร้างความลุ่มหลงสร้างความยึดมัน่นถือมั่นเพราะมันมีตัวเราทั้งทั้งที่เราแต่ก่อนนี้คือมีจิตติญาณดวงหนึ่งก็มาเกิดแบบนี้แล้วเราก็เกิดมาแล้วนี่ความเป็นเรามันมีขึ้นมาเป็นเรา เราต้องทำนั่นเราต้องทำนี่เราต้องเกี่ยวข้อง น, น, นั่นนั่นนี่นี่คือจริงๆมันเป็นธรรมชาติแต่ทีนี้เมื่อเกิดมาแล้วมันจะต้องเกี่ยวข้องกันก็เลยสมมุติว่าเป็นเราขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อด้วยเพราะไม่งั้นละในคนนั่นคนนี้คนนี้คนนั่นมันก็ไม่ได้มันมีอย่รูปนั้นรูปนี้กายนั้นกายนี้มันไม่ได้มันไม่เข้าใจกันต้องตั้งชื่อขึ้นมาชื่อนี้ คนนี้ชื่อนี้คนนี้ชื่อนี้อย่างนี้เป็นผู้หญิงอย่างนี้เป็นผู้ชายก็สมมติเดียกไปจริงๆสมมติสมมติว่าเป็นเราตั้งชื่อก็สมมติว่าเป็นชื่อของเราของเราก็ไม่แล้วแต่มีมาแบบสมมติจริงๆมันมาจากไหนมันมาจากธรรมชาติมันเป็นระบบของธรรมชาติแต่ที่ความเป็นเราเนี่ยมันหนานแน่นขึ้นหนานแน่นขึ้น เวลาเด็กเขาต้องการอะไรจะร้องพออยากได้อย่างใจหรือมันบางทีมันบังคับก่อนที่แรกร่างกายมันหิวฮอร่างกายมันหิวก็มันก็ทุกข์อ่ะทุกข์ก็ร้องร้องอยากเอาอะไรมาแก้ทุกข์พอได้นมแม่ได้อาหารมันก็ทุกข์ก็หายมันก็จดจำเอาไว้ด้วยนะเออทำอย่างนี้แล้วได้อย่างนี้มันเป็นอัตโนมัติพอต้องการอีกก็ร้องอีกแ ม, ม่เอาไหมอีก มันก็จดจำมาไว้ทีนี้ตอนตอนยังเด็กอยู่อะตอนยังเด็กนี่ขวาอุปท า, านก็ยังไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ตาหูจมูกนิ้นกายใจอะซึ่งเป็นส่วนที่จะมารับรู้ภายนอกอะมันยังไม่ค่อยเจริญเติบโตพอไม่เจริญเติบโตไอ้วกจิตเนี่ยมันก็ยังไม่พัฒนา แต่พอค่อยจเจริญเติบโตขึ้นนี่แหละมีกายมีจิตทีนี้ในกายก็มีเวทนาอย่างเช่นหิวเจ็บปวดเนี่ยนีละกายมันก็สร้างเวทนาขึ้นมาละไอจิตก็ไปรับรู้ไปโศวยไปกินเข้ามามาเป็นเราเราเจ็บเราปวดเราสบายเราไม่สบายเราเฉย อยี่ยมันไปกินเข้ามาไปเอาเข้ามาเอาไว้ไว้ในจิตมันก็เลยเขาจึงเรียกว่าสวยที่จริงก็เป็นหน้าที่ของเวทนาเท่านั้นเองเป็นเรื่องของเวทนาแต่ว่ามันเป็นเราแล้วเราเราหิวเราเจ็บเราปวดที่จริงที่แรกอะ่ะความเจ็บความความหิวเนี่ยมันก็อยู่ที่ร่างกายอะ่ะร่างกายมันต้องการอาหารมันก็สร้างความหิวขึ้นมามันเป็นธรรมชาติของร่างกายแต่ไอจิตของเราที่มัน มันหลงอ่ะมันก็ไปบอกว่าเราเหิวเมี่ยถูกเวทนานหลอกเพราะว่ายังไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพารยาเจ้ายังไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพารยาเจ้ายังไม่รู้ความจริงเมื่อมันหิวขึ้นมามันก็เกิดความอยากอยากเป็นตัณหาขึ้นมาแหละแต่ถ้าอยากโดยธรรมชาติ มันรู้ว่าเออเนี่เป็นความต้องการของร่างกายก็รู้เป็นระบบร่างกายอยาควรได้ทายังไงได้อาหารมาทำให้ร่างกายอยู่ได้พร้อมกับระ ง, งับให้ความหิวนี้ไปเนี่ยมันมจะให้มีปัญญามันจะมันจะเข้าใจว่าเอออันเนี้ยมันเป็นความต้องการของร่างกายแต่ถ้าไม่เข้าใจมันมัน มันเป็นความหลงไปมันเป็นความอยากไปอยากหิวก็อยากพออยากได้มาก็จดจำจะเอาอยู่เรื่อยมันก็เลยอยากอยู่เรื่อยทีนี้แต่ถ้าว่ามันรู้เสียว่าเออมันมันเป็นเรื่องร่างกายเอาเอาให้มันเนี่ยมันก็จบมันก็สบายอ่ะไม่ต้องไปปุ้งไปแต่งอะไรมาก แต่มันไม่รู้นี่ทีนี้พอพอเอามารับประทานเข้าไปแล้วมันก็จะมีรสอร่อยไม่อร่อยอร่อยก็ต้องการแล้วนะที่จดจำรือต้องการทั้งสัญญาทั้งสังขารเวทนาโอ้มันทำงานร่วมกันอยู่ไอความไม่รู้ของเราเนี่ยมันก็ค่อยๆเพิ่มอุปทานเพิ่มความลุ่มหลงความยึดมั่นถือมั่นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีนี้ หนาแน่นขึ้นความอยากความเห็นแก่ตัวมันก็เพิ่มขึ้นมันอยากเอามากเห็นแก่ตัวก็มากตัวตนก็มากมานะก็มากความอยากมากตัณหาก็มากมานะมากความเห็นผิดว่าสิ่งขันห้าเป็นของเราก็มาก คือพอมาปฏิบัติเนี่ยเราต้องการที่จะรู้ทันพวกนี้รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็เลยต้องมามารู้ทันพวกตัณหามานะทิฏฐิแต่ตัวทิฏฐิเนี่ยถ้าว่ามันรู้ผิดความเห็นผิดเนี่ยมันทำให้สร้างเป็นตัวเป็นตนมีอุปาทานหนาแน่น ต้องทำให้มันเห็นถูกมันก็เลยต้องมาทำความเข้าใจแต่ทำความเข้าใจแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งหมายว่าอย่างน้อยก็มีสัมมาทิฏฐิเข้าใจเข้าใจแล้วทีนี้ก็หาทางออกอหาทางออกอพอเข้าใจแล้วหาทางออกก็ค่อยๆทำความรู้ความเข้าใจว่าเออจริงๆเนี่ย ความรู้สึกทั้งหลายสบายไม่สบายสุกสุขทุกๆอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องของเวทนาเราก็มายึดเวทนาเนี่ยมันต้องเข้าไปเห็นถ้าไม่เห็นโอ้มันก็เป็นหลงเวทนาว่าเป็นของเราเป็นตัวเราสัญญาปรุงอะไรขึ้นมาเกิดทางไม่เกิดจำมาจามาจำผิดผิดมาปรุงแต่งผิดผิดเป็นสังขารเกิดเวทนา ไปหลงเวทนาเนี่ยมันยึดเวทนาสัญญาสังขารในวิญญาณก็ไปรู้ไปรู้แล้วก็มันมีสัญญาอยู่ด้วยในวิญญาณก็มันรวดเร็วมันก็จําได้อีกสังขารกระปรุงไปอีกเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตัดเอาไว้ว่าเนี่ยอุปทานในขันธ์ทั้งห้านี่แหละคือตัวทุกข์ถ้าใครจะออกจากสิ่งนี้ ก็ต้องให้จิตเนี่ยมันมีมันมีเป็นสมาธิซะก่อนคล้ายๆกับในที่นี้เราพูดสมาธิสมาธิในที่นี้ก็คือสัมมาสมาธิแล้วพอแต่สมาธิที่ไม่รู้อะไรอะ่ะเราก็เราเราผ่านไปแล้วเราไม่อยากพูดแล้วเพราะมันเป็นเบื้องต้นที่ทุกคนจำเป็นจะต้องทำให้จิตเนี่ยมันอยู่ซะก่อนเอาส่วนใหญ่มันก็มันอยู่ มันอยู่แล้วพอเอาจเจามาให้มันดูขันห้าทั้งห้านะ่ไม่ค่อยมีกำลังอะ่ะเจอนี้วอนบ้างความเพียรไม่ถึงบ้างอินซีมันอ่อนมันก็เลยไม่ถึงของจริงไม่ได้มักไม่ได้ผลเยอส่วนใหญ่เป็นอย่างเนี้ยส่วนใหญ่ที่ที่มาปฏิบัติกัน นอกจากว่าคนที่เอาริงเอาจังนะเอออย่างนั้นอะ่ะอันนั้นได้มักได้ผลคนที่จริงบ้างไม่จริงบ้างเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงตอนาาาปิงคารวาตก็ปฏิบัติเวลาไหนที่เราไปจริงจังติดต่อกันสองเดือนสองเดือนกว่ากว่าอย่างเงี้ยมันก็เห็นในพวกพระไตรักอะไรพวกนี้ เห็นไม่ใช่ของเราได้เห็นบ้าแต่กำลังไม่พอแค่ได้เห็นเห็นพตัตตะลักเห็นเป็นก้อนทุกเป็นกองทุกเห็นเป็นของเกิดดับเห็นไม่ใช่ของเราแต่กำลังไม่พอที่จะบรรลุมรรพผแต่ถ้าว่าใครมีความเพียรมีความตั้ง อ, อกตั้งใจมันต้องถึงแน่เพราะครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าจะถึงหรือไม่ถึง รู้แต่ว่าต้องเพียรพยายามอดทนในเมื่อจิตมันมันนอมไปที่แรกก็ไม่ได้รู้ว่ามันพ้นเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงแต่มันพอใจตรงที่มันดีตรงที่มันพอใจปฏิบัติก็ ม, มีความเพียรมันไม่ถอยได้ไม่ได้ก็ไม่ถอยอ่ะไม่เพื่อความแม่ใจที่ฐานจิตเข้าไว้ นยปาถนามันเลยพ้นทุกเนี่ยมันก็ทําเพราะมันอยากมันอยากพ้นอธิษฐาทุกวันจิตมันก็นอมไปเองรอล้อมจิตขึ้นมาเองเมือ่อนี้พระพุทธเจ้าที่ปาถนาเป็นพุทธเจ้าถึงเวลาท่านก็ตัดสรุป ท, ทำได้เนี่ยมันพอยินตัวเองเนี่ย รู้ว่าเออเราก็เคยลุ่มเคยหลงมาเคยผิดผิดถูกๆมาเคยเป็นแบบเดียวกันเนี่ยกับคนทั้งหลายอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นผู้วิเศษอะไรไม่ได้สแสดงออกมาเลยว่าเราเป็นผู้มีวาสนาบา ร, รมีอะไรอะ่ะก็หลงไหลไปกับกิเลส ต, ตัณหาเหมือนกันอะ่ะแต่พอได้มาปฏิบัติแล้วมีความเพียร น, นำหน้าบกุกพยายามตั้งบุกตั้งใจอยู่อย่างนั้นอะ่ะจะจอยอย่างนั้น เอามันก็เป็นได้เนีไงพมันเป็นได้โอ้โหคราวนี้มันเชื่อขึ้นมาน่เนี่ยโอ้ใครที่เขามาปฏิบัติธรรมนี่ต้องมีบุญมีบารมีแน่นอนเลยโอมันดีใจเลยนะปีติมันพอใจทันทีเลยมองหน้าเนี่ยมันรู้สึกมันเบิกบานอยู่ในใจเอาขอให้ได้เข้ามาหรือสึกอย่างนั้นเขาต้องมีเชื้อเมื่อมีเชื้อไม่ได้มาที่นี่อย่างนี้เลยนะมันคิดอย่างนี้เพราะนั้นก็อนุเคราะห์สงเคราะห์ อยากให้มีความเพียรอยากให้ทุ่มเทอยากให้ปฏิบัติเพราะตัวเองได้มาแบบนั้นไม่ใช่ว่าเออเรานี่บารมีมากนั่งลงไปจิตรวมเข้าไปแล้วก็รู้แจ้งปล่อยวางหมดจดบริสุทธิ์ไม่ใช่เพียรเอาทุกทางที่จะให้บรรลุธรรมได้ที่จะให้มันหมดทุกได้เจ็บปวดทุกซุ้ะ ก็มันเห็นทุกข์แล้วมันปล่อยวางได้ดีหมดแจ้งมันชัดนะมันทำให้จิตมีกําลังแล้วก็มาเห็นไม่กายกับจิตไม่ใช่ของเราขันห้าไม่ใช่ของเราทําให้สติปัฏฐานสี่สมบูรณ์กายเวตาลจิตทำหมุนอยู่เนี่ยใครจะวิธีไหนได้ได้ผลก็เป็นวิธีของคนนั้นไปมันไม่สงสัยเพราะมันเห็นผลการปฏิบัติแล้วก็ตรวจสอบด้ว ย, ยคำพีของมหุตเจ้า ในเมืเ่อตรวจสอบเข้าใจแล้วไม่สงสัยแล้วมันวิธีไหนก็ได้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่ของเรามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีรูปแบบที่นี่แต่สุดท้ายมันก็มาโยงใหญ่ถึงกันเหมือนกันมันก็ได้พิจารณาไปพร้อมๆกันเหมือนกันเวลาปฏิบัติมันต้องทั่วถึงกันจนได้ ฝันห า, ายตนะธาตุหาสุภะมันก็เอาแต่มันไม่เน้นสากศพอะไรมันก็เอาแต่ตัวเด่นนี่มันเป็นเป็นของตัวเองดูทุกข์แล้วมันก็ไปสู่อนิจจังอนัตตาคือเห็นทุกข์ก่อนว่าทุกข์นี่หมามันได้ต่อสู้จิตมันมีกําลังอ่ะพอมีกําลังแล้วมันก็เห็นเองอ่ะ เเกิดดับแล้วสุดท้ายมันก็เห็นว่าไม่ใช่ของเราเดินเข้าเดินเข้าปล่อยวางเพราะนั้นจึงมองเห็นว่าสิ่งสำคัญทุกคนคือความเพียรพยายามแล้วของเรา ม, มันแบบนี้ด้วยเวลาเพียรเนี่ยมันประมวลเข้ามาเพราะเราเรียคนคณิตศาสตร์อะไรที่มันจะทำให้บรรลุเ ป, ป้าหมายได้มันเอา เราก็เชื่อให้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ฝืนบางทีก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าบางอย่างที่เราสอนเราก็ไม่เอาทะีิทะไลไปทางซ้ายบางทางขวาบางมันก็เลื่นช้าแบบเนี้ยตรงเลยเราสาวุคของพระพุทธเจ้าศาสดาของเราทำยังไงเราจะทำอย่างนั้น เนี่ยมันก็เนี่ยมันต้องโหเขาเนี้มันต้องเคี่ยวเข็นตัวเองแหละทีนี้กิเลสตัณหามันก็อยากให้พาออกนอกหนูนอกทางสารพัพอยากเด่นอยากดังอยากโออยากอวดอยากดบยากนี้มันดูสวยดูงามไปหมดอ่ะอยากไปลาบได้ยศสันโซนมันก็มาแข่งขันกันมันชิงดีชิงเด่นกันอิจฉาริษยากันโอสารภาพเดี่ยวเี่ย มันก็มีเหมือนกันมันโอว่าไม่ก็ต้องได้เห็นมันแต่ก็พยายามแก้ไขนหนำถึงมาที่ตัวว่าต้องพยายามแก้ไขด้วยไม่ใช่ว่าเราจะชนะมันหมดมันต้องแพ้มันก่อนแล้วชนะทีหลังไม่เป็นไรนี่ทีนี้พอผ่านมาอี้มันก็เห็นเห็นกิเลสของแต่ละคนแล้วมันก็เออต้องให้เวลาให้โอกาสกันเนี่ยมันจด้มีการให้อภัยแล้วนะทีนี้ ไม่เป็นไรดูไปก่อนถ้าใครเต็มใจจะแก้ไขตัวเองโอ้อันนั้นใช้ได้แล้วช้าเร็วอีกเรื่องหนึง่งมันเป็นธรรมชาติของแต่ละคนถ้าใครแก้ไขตัวเองได้เร็วก็ไปเร็วใครแก้ไขตัวเองได้ช้าก็ไปช้าเห็นโทษเร็วปล่อยเร็ววางเร็วเนี่ยนี่พอแสดงทำเสร็จก็เราก็อยากรู้ว่าเออ ไอ้อพอดีไอ้ไอช่องมันมีช่องสังฆทานอยู่ไอ้จานจานจานดำอะเราก็อยากรู้เขามีพธิธีอะไรเขาเทศอะไรกันก็บางทีแอบไปดูเดี๋ยวนี้ไปดูเมื่อคนืนนีด้ดูมันมีอาจารย์องค์หนึ่งโอ้อายุมากแล้วนะเขาก็มาพุดธมรมะแต่ไปอยากบานนอกแกวพูดธรรมะก็พูดง่าย ก็เลยบอกว่าเออจะเล่าอะไรฟังผมไม่เคยเทศใช่ปะเออสมัยเป็นเด็กอะ่ะจำได้ว่าไปหาปลาไปหาปลาแล้วก็เห็นปลาช่อนตัวหนึ่งก็เลยมันติดอยู่ที่โคนที่ตมอะไรเงี้ยก็ลงไปจับไล่กอดไล่ป่ําไล่จับมันพอจับได้แล้วก็ดิน้นพอดิ้นแล้วเกิดความสงสารแกวุ้นเขาก็รักชีวิตเขาเราก็รักชีวิตเรา ถาอย่างนั้นเราไม่กินท่านแล้ววะเอาไปปล่อยต้องต่นั่นมาเลยรักษาศีลศีลห้าแก่วะเออเนี่ยเขามีนิสัยนะเนี่ยแสดงว่าเคยรักษาศีลมาละต่อมาก็เป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรก็ไม่รู้ก็มีความศรัทธาละ แล้มันแก้ปัญหาได้ก็โอ้ยแล้วลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่ะหนักแน่นฮแล้วก็ได้มาบวชบวชก็พยายามอยู่กับพุทโธเลยว่ะมีแต่พุทโธแค่บะพุทโธพุทโธเอาพุทโธอย่างเดียวต่อมามันก่อนจนอายุมากแล้วแกว่ะเนี่ยเร็วเ็วนี้มั้งเรายังอยู่อเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่แกว่ะ ยังสุขอยู่มันมันเข้าไปแล้วมันมีความสุขมากแกว่าอ๋อมันสุกแล้วเราอดอาหารที่ให้มันหิวมันจะทุกข์ไหมมันก็ไม่ทุกข์แกว่ามันก็ยังสุกอยู่เออดน้ํามันก็ยังสุกอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังสุขอยู่ก็มีแค่นี้แหละแกว่าแล้วเราบอกว่าไอ้ทําไมแกไม่ไม่มีใครบอกให้มาดูขันห้าไม่ใช่ของน้อให้มันต่อยให้ได้ไม่งั้นจะติดอยู่แค่สุขไง แต่ก็ได้ใจคิดเฉยๆนะเราบอกเออองค์นี้ก็งก็ดีละทั้งก็มาพูดอะไรต่ออะไรให้ฟังประสบการณ์ตรงของท่านก็ดูกระซือๆดีอะแต่อายุมากแล้วอยู่แถวโคราชเนี่ยเวลาเวลาฟังฟังคนพูดมันก็จะจับจับว่าอยู่ระดับไหนยิ่งคนปฏิบัติด้วยจันเนี่ยฟัง คุยกันซักถามกันเราเสบบาทาไปมันก็จะออกมาว่าเข้าอยู่ขั้นไหนแต่ไอ้อขั้นที่หลงกันมาคือขั้นต้นๆที่พอจิตสงบแล้วเป็นสมาธิแล้วมันมาดูจิตเนี่ยจิตมันเดี๋ยวมันโกรธก็รู้บ้างนะมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รู้บ้างแล้วก็ดีขึ้นมา มือนกับการดูจิตจี่ของพระนาคามีอ่ะมันคนละอย่างบางทีเข้าไปเปรียบเทียบกันนะเอาต่ําๆไปเ ป, เประสบไปสูงอะ่ะจิตพระนาคามีนี่มันโหมันเห็นขันห้าไม่ใช่ของเราล่างกาไม่ใช่ของเราจนอิ่มมันผ่านไปหมดวางวาทานพวกนี้จนหมดแล้วขันจิตยิบยิบยบย บ, ย บ, ยบเห็นปัป๊บป๊บปัป๊บป๊บปับางทีไม่ต้องทําอะไรดับบางทีก็สอนนิดหน่อยก็ดับมันทํางานเองแล้วไปดันทรงมัดเลย อารมณ์ก็ขาดไปเรื่อยขาดไปเรื่อยเบาเข้าสมาธิก็ว่างมันก็ตื่นด้วยแต่บางทีร่างกายมันเหนื่อยบางทีก็ง่วงซึมไปอะไรไปแต่บางทีมันก็ขึ้นลงตัวสมาธิไม่แน่นอนเนี่ยเท่าที่เห็นนี่มันปั็เจะเห็นแบบเนี้ยเอาธรรมะ ตอนต้นไปเปียกเกลียบธรรมะสูงๆไอเห็นจิตตอนต้นๆกับไอเห็นจิตที่มันโอโหมีมรรคมีผลเนี่ย ม, มันมันชัดเจนกว่ากันเบาวกว่ากันแล้กตริยาการภายนอกมันก็เป็นธรรมด้วยเป็นธรรมออกมาจากจิตไม่ต้องฝืน กระทบอารมณ์ก็ไม่ค่อยวันไหวดูภายนอกก็รู้ว่านิ่งรู้ว่าอุเบกขาวางเฉยได้มากเพราฉนั้นถ้าเรามองดูผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยคนที่มีธรรมเขาจะวางอุเบกขาได้ดีมากยิ่งทําไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตแล้วก็มันก็ไม่อยากไปทําอะไรเลยอ่ะในจิตเนี่ยเกี่ยวข้องไปหมดทุพราละแล้วก็เฉย จะไปอยากสนุกสานานเสวนเสฮีฮาอะไรไม่มี่คือมันอยู่ตามลำพังอิสระมันสบายที่สุดแล้วจะไปหัวนละตอกกระิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนอกจากว่าเออเอาให้บรรยากาศมันดีขึ้นไหมเขามีความสบายใจเดีย๋ยวให้มันคลายเครียดนิดนิดหน่อยๆ ไอเจตนาที่จะให้มันสนุกสนานเฮฮามันไม่มีอ่ะมันมุ่งไปที่สุขภาพกายสุขภาพจิตหรือว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นว่าเออการยึดการติดการข้องไม่ว่าจะเป็นลูกสามีพันยาพ่อแม่อะไรก็ตาม ถ้าเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่าเนี้มันมั น, มนลุงหลังอ่ะแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่มันก็จําเป็นเพราะมันเกิดมาแล้วเราก็ต้องมีพ่อมีแม่ถ้าแต่งงานแล้วก็ต้องมีครอบครัวก็ทําหน้าที่ไปแต่เราไม่ทิ้งการปฏิบัติไม่ทิ้งทางดําเนินของพระพุทธเจ้าเพอออกจากทุกข์ก็เอาสิ่งที่เกี่ยวข้องอามาอบรมจิตตัวเองถึงว่าเออดูลูกให้ดีเนี่ยเอามาสอนตัวเองให้มันได้ เราก็เคยเป็นอย่างนี้เคยเป็นเด็กโตมาแล้วเป็นยังไงเคยหวังจะเอาใหญ่ดันไดน้มีความสุขและสุขจริงไหมให้มันจดจํำสิมันจะได้ไม่อยากเวียนไหวตายเกิดไม่อยากไปยึดไปลุ่มไปหลงอะไรไม่งั้นมันก็ยังงัวเมาอยู่ไัเนี่ะพราะไม่เห็นอย่างน้อยก็เออเด็กขอคิดขึ้นมาก่อนแล้วต้องทําจิตให้เป็นสมาธิด้วยสมาธิล้วต้องมีกําลังพอด้วยมันถึงจะไปเห็น มันต้องอีกขั้นหนึ่งนู้นขั้นต่อไปนู่นถ้าพูดรวบลัดนี้ก็เหมือนง่ายมันแต่เวลาปฏิบัติมันก็แล้วแต่เออมันมีความเหมาะสมมีความลงตัวเมื่อไหร่ก็แล้วแต่สภาพว่าทำเราไม่น้าทีอบเพี้ยนแล้วก็ปฏิบัติไปเอาวันนี้ก็จะพูดธรรมะแค่นี้นะเอาให้ดูตัวเองต่อไป กระดังไปตามลำพัง